สาที่20กรกฎาคมพศสองพเป็นการบรรยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอาริยาสาวกตวอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าวันนี้จะเป็นวันจบของการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติโดยลำดับและคราวหน้าซึ่งเหลืออีกหนึ่งเสาจะบรรยายสรุป โดยนัยยะต่างๆเกี่ยวกับประวัติของพระเทละ2สองร้อยกว่ารูปที่ได้พูดมาแล้วทั้งหมดก็รวมทั้งพระเทลีด้วยรวมเบ็ดเสร็จก็คงจะสามร้อยองค์ที่สองร้อยสามสิบเก้าใช่ไหมครับสองร้อยสามสิบเก้าสองร้อยสามสิบเก้านั้นมีชื่อว่าพระโคตมะชื่อเหมือนพระพุทธเจ้า ตระที่ชื่อโคตมะนั้นเราได้เคยผ่านตามาแล้วหนึ่งองค์ซึ่งเป็นคนละองค์กับองค์นี้โคตมะองค์ก่อนคือองค์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามนั้นเป็นโคตมะที่เกิดในสกยตสกุลคือเป็นพระบุลญาติของพระพุทธเจ้าเรียกโคตมะเหมือนอย่างเรียกพระนางโคตมีอันนั้นหมายถึงโคตมะผู้หญิง แลพระพุทธเจ้าของเราเองก็ถูกเรียกว่าโคตมะเหมือนกันเรียกว่าพระสมณะโคดมหรือโคตมะพุทธะนั่นเองแต่ว่าโคตมะท่านนี้เป็นโคตมะที่เกิดในสกุลรามชาวเมืองสาวัตถีเมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นจบการศึกษาตามกติกของรามแล้วท่านศึกษาพิเศษอย่างหนึ่งและเป็นผู้ที่มีความชนานาญเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากระบุว่า เป็นผู้ที่เรียนวิชาการพูดคือเรื่องวิชาการพูดเนี่ยเรามารู้กันในยุคราว่ามีทิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งฝรั่งสอนและเขียนเตำราตำราเกี่ยววิชาการพูด เ, เป็นหลักศึกษาฝึกฝนกันไปทั่วโลกนะครับแต่ความจริงวิชาการพูดเนี่ยในสมัยพุทธกาลมีมาแล้วแต่ว่าการพูดอย่างในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลนั้น เป็นการพูดที่เน้นไปทางด้านการโตวาทีที่เรียกว่าตักกะวิทยาตักกวิทยาหรือเหตุหตัวิทยาทำไมนั้นเรียกเหตุตวิทยาว่าโดยเรื่องของการให้เหตุผลไม่ใช่การคิดเหตุผลอย่างเดียวนี้เราเรียนตักกวิทยาในรูปของการหาเหตุผลหรือเรียนศาสตร์ว่าโดยการหาเหตุผลแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียนวิชานี้ที่ออกมาในรูปของการพูดจริงๆ เพราะฉะนั้นคนที่นับว่าพูดเก่งอย่างในสังคมนักปราดสมัยก่อนพุทธเจ้าคือนักพูดในเชิงโตวาทีเก่งทางนั้นพระพุทธเจ้าเราก็ทรงโตวาทีเก่งแล้วก็ยังเก่งด้วยการพูดในรูปลักษณะอย่างอื่นด้วยมเมื่อท่านโคตมะผู้นี้<ม>เรียนวิชาการพูดและมีพรสวรรค์นในดังการพูดก็<ค>เป็นคนพูดเก่ง เลยเป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสตัวหนึ่งคือมานะมานะและทิฏฐิทําให้กลายเป็นอันตรพาณทางคําพูดเที่ยวไปชวนคนอื่นเขาทะเลาะวิวาดว่แวงเรื่อยไปคือกว่าจริงก็เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นที่ไม่ตรงกันเมื่อตัวเองข่มเข้าได้เอาชนะเขาได้ก็เลยเอ คมคีบุคคลอื่นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยการพูดอย่างนี้จนกระทั่งก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทและเป็นที่เกลียดชังของคนที่เขาไม่เลื่อมใสเป็นอันมากอาที่ว่าเป็นที่เกลียดชังเนี่ยก็เห็นจะนึกได้ว่าคนที่มีเหตุผลดีสา ม, มารถโต้ตอบเอาชนะคนอื่นเขาได้และไม่มีลักษณะสำรวมไม่มีลักษณะท่อมตนเนี่ย จะเป็นที่ตั้งของความเกียดคร้านและเป็นผลทําให้คนอื่นคนเหล่าอื่นที่เขายอมจํานนด้วยเหตุผลแต่เขาเกลียดตัวคนให้เหตุผลนี้ก็เลยพานไม่ชอบมะก็อย่างที่เราเห็นคนที่พูดเก่งๆแต่ว่าไม่มีอาจาระที่ดีพอเนี่ยเขาเกลียดเหตุเขาเกลียดตัวก็เลยพานมาเกลียดเหตุผลของคนคนนั้นด้วย เลยเป็นผลทําให้บุคคลนั้นพูดอะไรแล้วไม่ขึ้นคือคนเขาไม่สมาทานรับเอาท่านโคตมะซึ่งตอนนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นอย่างนี้อย่างที่ว่ามานี่คราวนี้เมื่อได้มาพบพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เสด็จไปรับพระเจตวันก็ได้ฟังธรรมได้เห็นพุทธจริยาแล้วก็เลื่อมใสเลื่อมใสก็บวช เมื่อบวชแล้วก็ถือทุปองควัตเป็นพระที่ถือทุปองควัตอย่างเคร่งครัดข้อหนึ่งคือข้อบินทบาทบินทบาทเนี่ยบินทบาตเป็นวัดคือไม่รับนิมนต์ก็ดีหรือบินทบาทตามลําดับบินทบาทตามลําดับก็เป็นอีกข้อหนึ่งคือคนที่ถือบินทบาตเป็นวัดแล้วไม่บินทบาตตามลําดับหมายก็ว่าถ้าเดินอุ้มบาต ไปรับบาตรมีคนเขานิมนต์ตรงนี้บ้านแรกแล้วก็ตัวท่านเองท่านอาจจะเว้นไปบ้านหนึ่งไปรับคนบ้านถัดไปได้แต่ถ้าถือบิณฑบาตเป็นวัดด้วยถือการรับบิณฑบาตตามลําดับด้วยจะรับตามลําดับเท่านั้นไม่ข้ามลําดับการไม่รับข้ามลําดับนั้นมีผลอย่างไรก็มีผลในข้อที่ว่าจะได้ไม่โลภ คือไม่มีลักษณะของการเลือกที่รักมากที่จังหรือไม่แย่งนะพูดง่ายนะไม่แย่งอย่างที่เราพูดถึงกันอย่างในปัจจุบันนี้นี่เป็นธุดงควัตที่พระเทระรลูปนี้ท่านถื อ, อ, อการบรรลุพระอรหันต์ของท่านนั้น<ม>ว่าบรรลุตั้งแต่ตอนบวช เมื่อมีดโกนจุดเส้นผมเพื่อยังไม่ทันโกนนะพอจดมีดโกนหรือกดปิดโกน ล, ลงไปที่เส้นผมยังไม่ทันโกนเรียกว่าจดมีดโกน ล, ลงไปที่เส้นผมเท่านั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็คราวหน้าเราคงจะได้ข้อสรุปกันมาว่าคนที่บรรลุในขณะบวชเนี่ยมีอาการต่างๆกันอย่างไรก็โดยมาก จะเป็นตอนโกนผมนะครับบางท่านก็โกนครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้ ง, งหรือบางท่านก็โกนจนหมดศีรษะแล้วจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์นี้นับว่าเร็วมากแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วพิเศษเลยเพราะว่าที่เร็วพิเศษกว่านั้นคือบรรลุตั้งแต่ก่อนบวชก็หลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปโปรดญาติโยมคือพฤติกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยมีมาแต่อดีตนั้นเปลี่ยนแปลงกลับตาละปัดหมดอันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนที่เข้าถึงธรรมแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นองค์ที่สองร้อยสี่สิบองค์นี้คือท่านสังกิจจาท่านสังกิจจานั้นก็คือสังกิจจาสัมมนเนนที่เรารู้จักดีท่านสังกิจจาสั ม, มนเนน อง์นี้ที่ว่ารู้จักดีคืออย่างไรผมทบทวนนิดหนึ่งสังกิจจาอนั้นเป็นลูกที่กำพร้าแม่คือแม่ตายแต่ว่าตัวท่านเองยังไม่ตายบุญคุม้มญาณวิปภารายทิคือญาณที่แม้ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยคนที่จะบรรลุในชาตินั้นเกิดอะไรอะไรขึ้นก็สามารถที่จะรอดจากความตายนั้นมาได้ เมื่อมารดาตายทั้งกรมเอาไปเผาศพที่ปา่าช้าเมื่อเผาศพแล้วท้องไม่ไหมที่อื่นไม่หมดสับเลเก็เอาเครื่องมือแหวะท้องออกมาเพื่อให้ไฟลามก็ไปถึงเหตุแล้วก็ก็เจอเด็กนะเจอเด็กรองอวอวะก็เอามาเลี้ยงนะครับก็รอดตายอย่างปฏิหาริย์สังกิจจาสมณเณรเมื่อ มาบวชเป็นเนนแล้วเนี่ยนะฮะคือไม่ได้บวชเป็นพระทีเดียวหรอกมาบวชเป็นเนรเมื่ออายุประมาณเจดขวบบรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนนและเป็นผู้ที่มีอาภินิหารเขเรียกว่ามีบุญพิเศษเหมือนกับหลานของท่านในการต่อมาอีกองค์หนึ่งเราเคยพูดมาแล้วความสามารถพิเศษนั้นคือความสามารถในอันทรมานโจร คือพูดให้เป็นจำนวนเนอะคือว่าทำชุบชีวิตโจรให้เป็นอารหารันเอาโจรมาชุบชีวิตแล้วเป็นพระอารหันเป็นบุญพิเศษเหมือนอย่างเราพูดกันวันนี้ถึงพระองค์หนึ่งว่าท่านมีบุญพิเศษอย่างหนึ่งคือเอาฝรั่งมาชุบชีวิตเป็นพระไทยพูด อ, อย่างนี้ท่านก็คงจะนึกออกว่าพระองค์นี้คือใครนึกออกไอกออ ก, ออก เมืองไทยเราเนี่ยเห็นตั้งแต่สร้างประเทศมาเห็นยังไม่มี ใ, ใครเก่งเท่าท่านเก่งในแง่ที่เอาฝรั่งมาเป็นมาเป็นพูดเป็นพระได้เป็นพระอย่างไทยคือท่านอาจารย์ชาวัดหนองป่าพงหมอหน้าพาไปแล้วอันนี้ถือเป็นบุญพิเศษของท่านแต่ละคนมีบุญในทางเผยแผ่ไปยังกลุ่มชนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันสําหรับท่านผู้นี้ เก่งในทางโจรบ้านไหนที่มีโจรชุกกลุ่มนะนิมนตท่า น, นไปอยู่ถ้าจะดีพระท่านมีบุญทางนี้ไปอยู่แล้วก็ดัดสันดานโจรได้เอาโจรมาบวชทำโจรให้เป็นคนดีคนอื่นอาจจะมีบุญกับคนกลุ่มอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตเพราะบางคนเนี่ยก็ตัวเองเคยเป็นโจรเคยอทําอะไรอะไรผูกพันกับทางคนกลุ่มนั้นมาทําให้ ตัวเองต้องคล้ายๆต้องมาใช้นี่หรือต้องมาได้ดิบไดด้ีกับคนกลุ่มนั้นๆผมก็ก็เล่าท่านตอนนี้นะครับก็เลยท่านสังนขีด จ, จานะมีลูกศิษย์เป็นอดีตโจรเรียกว่าอาหารหันลูกศิษย์ท่านเนี่ยไม่มีดีอะอดีตนะพูดถึงว่าไม่มีดีบางคนเขาอาจจะมีลูกศิษย์องค์นี้เป็นพระมหากรรษัตริย์องค์นี้เป็นปุโรหิต องนั้นเป็นโน้ปะนี้ใหญ่ๆโตๆกันแต่ของท่านสังกิจจานั้นโจรทั้งนั้นถ้าให้รวบรวมประวัติลูกศิษย์เนี่ยคงจะขึ้นหน้าปกได้เหมือนกันว่าพระอรหันต์อดีตโจรหรือโจรผู้กลับใจมาเป็นพระอรหรันต์นั่นเป็นเรื่องของท่านสังกิจจกมาถึงอีกองหนึ่งครับสองร้อยสี่สิบเอ็ด องค์ที่สองรอสีสบอดชื่อว่าท่านศีละวะโปรดอย่าไปปนกับศีวะลีศรีละวะคนละองค์กับท่านศีวะลีท่านศีวะลีเราได้พูดแล้วเป็นผู้เลิศในทางลาบเป็นคนในสกุลกษัตริย์อท่านศีละวะนั้นเราไม่เคยได้ยินชื่อแต่ว่าพอไปดูประวัติท่านเนี่ยท่านไม่ใช่คนธรรมดา เกิดในราชสกุลเหมือนกันและเกิดในสกุลที่เป็นมหาอำนาจสูงสุดของอินเดียในครั้งบุตการคือโอรสของพระเจ้าพิมวิสารแห่ง น, ค, นรครราชฤาษท่านศีละวะเป็นโอรสของท่านและเป็นโอรสที่เป็นคู่แข่งกับโอรสองค์สำคัญ ของพระเจ้าพิมพ์พิสารคือพระเจ้ า, าชาติศัตรูเป็นคู่แข่งคู่แข่งกันในทางราชสมบัติก็เลยเอไม่ถูกกันนะความจริงท่านศรีละวานะเท่าที่ดูก็นิสยัยท่านน่าจะดีแล้วคงไม่ได้คิดมักใหญ่ไฟสูงแต่ว่าโอกาสของท่านนะ่ะเป็นที่ละแวงของพระเจ้าอาชาศัตรูพระเจ้ า, าชาตัตรูต้องการได้ราชสมบัติก็กลัว ท่านศิลาวะเนี่ยจะมาแย่งราชสมบัติไปก็พยายามที่จะมุ่งร้ายด้วยประการต่างๆหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีครั้งหนึ่งพระเจ้าชาติศัตรูนั้นลวงให้ขึ้นช้างช้างตกมันต้องการจะให้ช้างฆ่าตายตัวจะได้ไ ม, ม่มีความผิดซึ่งในวันนั้นพระผู้มีภากได้ทรงแผ่ขายพยานมาเห็นกอดีว่า สีลวะกูมา น, นั้นที่มีอินทรีแก่กลาจะบรรลุทำได้บัดนี้กาลังเสียงเป็นเสียงตายอยู่บนคอช้างก็สั่งให้พระเจ้าสั่งให้พระโมคคัลลานะไปนำศีละวะกูมานมาเฝ้าโดยวิธีการนำมาทั้งช้างและทั้งคนมาถึงในวัดเลย <c oughs> ก็เรื่องเลยเชื่อหน่อยนะ คือนำมาด้วยฤทธิ์พระโมคครานนะไม่รู้ไม่ได้อธิบายว่าด้วยวิธีใดแบมือให้ช้างขึ้นมายืนบนฝ่ามือแล้วก็ช่างมืออัมติวัตรหรือว่าใช้ฤทธิ์บางคนมาโดวยวิธีการอย่างอื่นไม่ได้เล่าเพียงจะบอกว่านำมาด้วยอำนาจฤทธิ์ของท่านก็เมื่อมาถึงที่เฝ้าเนี่ยแน่แล้วครับ ช้างตกมันก็กลายเป็นช้างมันตกก็คือเหมือนช้างนาฬิกีนะถูกพุทธานุภาพแก้ไขกลายเป็นช้างที่เชื่องพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงธรรมโปรดแก่ศีลละวากูมานได้บรรลุธรรมลงจากคอช้างปลอดภัยเรียบร้อยดี และเป็นปลาหลานไปแล้วอ่ะนี่เป็นเป็นประวัติของพระองค์นี้อผมผ่านเลยไปถึงองที่สองร้อยสี่สิบสององที่สิงสองร้อยสี่บสองชื่อว่าสุนีตากีวิตของท่านสุนีตานั้นกลับตาลปัดกับองค์เมื่อตะกีนีท่านสุนีต์เป็นคนที่เกิดในสกุล เทดอกไม้ฟังดูดีเทเทดอกไม้ก็คือเทอยากเยื่อและคําว่าเทอยากเยื่อเนี่ยเอมันก็แปลว่าขยะเป็นคําไทยโบ ร, ราณแปลว่าขยะแต่มันไม่ใช่แค่ขยะมีความหมายเบ็ดเสร็จไปถึงล้างอุดจระล่างปัสสาวะเก็บขนอุดจาระเราก็รู้ว่าอินเดียเนี่ยเขาถ่ายจระกันแบบไหน ถายกันไม่ค่อยจะเป็นที่ถ้าเป็นในเขตเทศาบาลอย่างในเมืองเนี่ยก็จะมีคนมาเก็บกวาดทําความสะอาดทั้งเก็บทั้งล้างเรียบร้อยทุกเช้าเหมือนอย่างเก็บขยะในปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าการที่ท่านมาเป็นคนเก็บขยะนี่แหละครับทําให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าคนเก็บขยะบรรลุ ทำได้แลวคนเก็บขยะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมองข้ามและมาโปรดในขณะที่กำลังทำกิจเก็บขยะนั่นเองผมว่าให้ฟังเป็นลำดับว่ามีอาชีพเก็บขยะยากจนอดอยากมีหน้ำซ้มคนเขาดูถูกนี่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสแล้วว่า คนบางคนเนี่ยทําอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยมากแต่ได้ค่าตอบแทนน้อยแล้วก็อาจจะมีบางคนที่ทําอาชีพเหน็ดเหนื่อยมากแต่ไม่ได้ค่าตอบแทนเลยก็มีถูกคนอื่นเขาเขาโผลเขาจับใช่ไหมด้วยประการต่างๆมันก็เป็นอกักขุนวิบากในรูปลักษณะต่างๆกันจึงเป็นคนมีอากขุนวิบากในทางกําเนิด อย่างยิ่งคราวนี้ในเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพยานก็ทรงเห็นคนเก็บขยะคนนี้ตอนเช้าได้เสด็จออกบินทบาทเข้าไปในเมืองก็คือเมืองเลยจักรคนนี้เป็นคนเก็บขยะอยู่ในเมืองเลยจกักได้ทรงเสด็จไปด้วยหมายจะไปโปรดคนเก็บขยะคนนี้เมื่อได้ทรงเสด็จไปโดยลาดับโดยลำดับด นายสุนีตาพอเห็นพระพุทธเจ้าเข้าตัวเองกําลังถืออุปกรณ์ทำกงสหาหัดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยตัวก็อายทั้งที่มีความเคารพนับถืออย่างยิ่งแต่อายอายด้วยความคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เข้าใกล้คนที่เข้าเฝ้าควรจะเป็นคนระดับสูงมีแต่คนระดับสูงทั้งนั้นเลย เราเป็นคนต่ำต้อยน้อยวาสนาอย่างนี้ไม่ควรแม้แต่การที่จะให้พระผู้มีพระภาคได้เห็นก็ได้หลบเข้าไปที่มุ ม, มเรือนหลังหนึ่งได้แต่เรียกว่าโผล่หน้ามาดูพระพุทธเจ้าโดยทรงสเสด็จพูดว่าปรีเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วก็ทรงตรัสเรียกเลยว่าสุนิตาสุนีตา ทรงเรียกด้วยเสียงดังในในตประวัติว่างั้นนะที่เรียกด้วยเสียงดังเนี่ยเพื่อเป็นการให้เกียรติให้ความสําคัญแก่บุคคลที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสําคัญด้วยพระสุรเสียงนั้นทําให้สุนีตารู้สึกปีติสมนั้นอย่างยิ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ชื่อของเราแล้วก็ทรงเรียกชื่อของเราด้วยเสียงอันดังเราก็สมมตุติความรู้สึก กันเอาเองก็แล้วกันนะว่าบุคคลระดับพระพุทธเจ้าโดยทรงสเสด็จแค่สเสด็จผ่านเข้ามาให้เห็นนี่ก็ชื่นใจไป็นลนพลแล้วนี่ทรงตรัสออกชื่อด้วยแล้วก็ด้วยเสียงอันดังด้วยเป็นการให้ความสําคัญแก่ตัวเองอย่างเหลือเกินพระผู้มีภระภาได้ทรงตรัสว่าเธอจะบวชไหมหามาจะบวชไหม คำว่าเธอจะบวชไหมเนี่ยเป็นคำที่สุนีตายิ่งไม่คาดคิดเลยไม่คิดเลยว่าคนอย่างตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะรับเข้าไปบวชไว้ในวัดของพระองค์ก็ตรัสทูลตอบด้วยความสำรวมระมัดระวังว่าข้าพระองค์ะบวชได้หรือ ถ้าแม้ว่าข้าพระองค์เป็นบุคคลที่พระผู้มีภาคพึงบวชได้ขอพระผู้มีภาคสรงบวชข้าพระเจ้าโดยเร็วเถิดรีบช่โอกาสทันดีพระพุทธเจ้าก็ทรงรับบวชการบวชให้กับสุนีตานั้นไม่ใช่บวชธรรมดาบางคนหลายองค์นั้น เป็นพระที่เกิดในสกุลสูงแต่ว่าเวลาบวชเนี่ยท่านบวช ด, ด้วยวิธีการธรรมดาคือตัดชีให้ภิกษุองค์นั้นองค์ น, งนี้บวชในอา น, นัตของพระพุทธเจา้าแต่สุนีทะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบวชให้โดยวิธีเอหิพิกูป ส, สัมมสมทโดยสัสวว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเมื่อตรัสขาดคำสุนีตา ซึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมเนี่ยเหมือนกับได้เป็นเทวดาที่ปฏิสนธิใหม่ด้วยโอปปาติกากําเนิดเป็นบุคคลที่มีเพศกลายเป็นพระภิกษุเหมือนดำรงรรษาอยู่แล้วตั้งหกสิบภาษาท่านมักจะพูดต่อท่าหลังว่าอย่างนี้เสมอนะ คือพอบวชให้พับเนี่ยคนนั้นจะมีพื้นฐานมีสภาพแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรก็ตามเมื่อขาดพระโอทว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทุกคนจะอยู่ในสภาพเดียวกันหมดเป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนบุญบวชให้อ่ะฮะพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงผู้เปิดโอกาสบุญบุญเนี่ยเพียงแต่รอพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้แต่นั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเป็นปัจจัยให้บุญนั้นก็ให้ผลบุญนั้นเกิดจากอะไรท่านก็มักจะเล่าไว้ในที่ทั้งหลายแต่ในนี้ไม่ไม่ได้เล่าอีกแล้วนี่นะฮะว่าคนที่จะเป็นเอหีพิขุนั้นต้องทําความปรารถนาทําความปรารถนาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้พบพระผู้มีพระภาคพระองค์หนึ่งขอได้อรับประทานการบวชจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นโดยเอหีพิขุ แล้วก็สิ่งที่เป็นบุญส่งเสริมอันหนึ่งก็คือจะต้องทำบุญด้วยการถาวายอัตาบบริการทำบุญถาวายอัตาบบริการแก่พิสุสงฆ์และทำความปราถนาก็จะทำให้เราได้เอี๊ยพิภู菩ปทาถ้าไม่ปราถนาคือแม้ว่าทําบุญไว้แต่ไม่ปราถนาไม่ดิษฐานก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้หลายองค์เนี่ยบุญตั้งเยอะแต่ว่าไม่ได้เอี๊ยพิภู ที่นี้เมื่อได้บวชแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นเนหิตแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์พระภูมีเอาคก็ทรงพากลับวัดแล้วก็ได้ประทานกรรมฐานให้ท่านได้ทำฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งเลื่อยไปถึงฌานที่แปดแล้วก็ต่ออภิญญาทั้งห้าได้ครบหมดจากนั้นจึงต่อวิปัสสนากรรมฐานในประวัติระบุเน้นไว้ว่าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในคืนนั้นเลย คือหลังจากบวชเสร็จตอนเช้าใช่ไหมละ่ะบวชเสร็จพอพระเจ้าบินสบายเสร็จกลับวัดชันเสร็จบ่ายสอนธรรมะให้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งถึงตกเย็นบรรลุเป็นพระอานในเวลากลางคืนคืนนั้นเป็นเรื่องของคนที่มีบารมีมากก็เป็นอย่างนี้ ถ้าถามว่าคือพระสมัยก่อนเนี่ยท่านถามกันมาแล้วพระพุทธเจ้าถึงได้ตอบว่าท่านสุนีตาเกิดมาเป็นปัจฉิมภวิกษัตริย์คือจะต้องเป็นพระอระหันในชาตินั้นเกิดชาตินี้ชาติเดียวบรรลุเป็นพระอระหันได้แต่เหตุไฉนท่านจึงมาได้กติเกิดในสกุลที่ตกยา ก, ยากอย่างนี้ ได้รับการดูหมิ่นดูแคลนจากผู้คนมากมายอย่างนี้พระบุตรเจ้าท่านก็เล่าบุพกรรมให้ฟังว่าเพราะว่าท่านสุนีตานั้นได้ทํากรรมอันหนึ่งกับพระปัจเจกบุตรเจ้าไว้ในครั้งที่พระปัจเจกได้ออกบินทบาทเมื่อได้ไปเห็นเข้าก็พูดจาเย้ยหยันดูถูกด่าว่าด่าว่าว่าคือพูดความเนี่ยคล้ายๆเหมือนอย่างเรา เราบางคนพูดแต่ยังไม่ถึงกับไปขี้หน้าด่าว่าพระภิกษุเหมือนอย่างที่ท่านทำนี่คือว่าคนอย่างท่านมาทำห่มผ้าปิดกายทำสํารวมเหมือนอหญิงสาวผู้ละอายอยู่ทําไมทำไมไม่คิดทำมาหากินมาเที่ยวขอเขาอยู่ได้ท่านควรทำมาหากินถ้าทำอะไรไม่เป็นหาอะไรทำไม่ได้ ยังมีงานหนึ่งที่ท่านทำได้คือจงไปนำปัสสาวะอุจจระออกจากเรือนของคนต่างๆแล้วก็ทำความสะอาดที่นั้นๆรับรองว่าท่านจะไม่ต้องมาขอเครินเนี่ยว่าอย่างนี้เลยเป็นกรรมติดตัวมาเป็นบุปกรรมในชาตินี้ นี่แค่ว่าเท่านั้นนะแค่ด่าเท่านั้นเองจะไปด่าพระอรหันต์เลยเป็นกรรมติดตัวมาแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยทําทั้งดีทั้งชั่วบางทีอากุศลให้บากเข้ามาให้ผลไ อ, อ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่นําเกิดอะ่ะเรียกว่ามาเป็นบริวารของกุศลนําเกิดอันอื่น เลยมาทำให้ครุด้วยบากที่นำเกิดนั้นลดกำลังลงและวิธีที่เรียกว่าลดกำลังก็คือมาทำให้เราเกิดไอ้อยบาปเกิดชะตากรรมเป็นต่างๆถ้าเมื่อใดกรรมเบาลงไปจะด้วยวิธีใดก็ตามชีวิตของคนนั้นก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างที่ควรจะเป็นใหม่เหมือนอย่างชีวิตของพระองค์นี้และแม้ทต่านื่นอีกมาก จากนั้นเราเลยไปถึงองค์ที่243องค์ที่243ชื่อว่าโซนะโกลิบิสองค์นี้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทางความเพียรมีความเพียรมากคนมีความเพียรมากเนี่ยมีสองแบบแบบหนึ่งคือความเพียรมากแต่เป็นความเพียรมาก ที่เกินความดีอื่นแล้วพูดว่างี้ก็แล้วกันนะพอไอ้คําว่ามากน้อยเนี่ยกุศลทุกอย่างมากเขาไว้ดีแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมากจะต้องมากในลักษณะที่ไม่เกินเลยความดีส่วนอื่นถ้าหากว่าเกินเลยความดีส่วนอื่นแล้วทําให้อกุศลเข้าแทรกได้เมื่ออกุศลเข้าแทรกได้ผลสําเร็จที่พึงเกิดจากความเพียร น, นั้นหรือจากกุศลตัวใดตัวหนึ่งที่มีกําลังแรงมาก ก็จะเสียหายไม่อาจบรรลุได้ยกตัวอย่างเช่นคนมีศรัทธามากปัญญาน้อยคนมีปัญญาน้อยอคนมีปัญญามากศรัทธาน้อย อ, อย่างนี้มันขาดความสมดุลความเพียรมากสติน้อยอินทรีย์ตัวอื่นน้อยก็ขาดความสมดุลเราบางท่านอาจจะเคยได้ยินประวัติท่านมาบางแล้วนะครับผมเคยเล่าในที่อื่นบ้างแล้วบางแห่งนั้นได้เอาพระสูตร ที่เกี่ยวกับท่านมาอธิบายกันเป็นรายละเอียดทีเดียวท่านโสนะพระที่ชื่อว่าโสนะในสมัยพระพุทธเจา้ามีหลายองค์องค์ที่ดังมากคือโสนะ โ, โกลิวิสาองค์หนึ่งองค์นี้โสนะโกลิวิสาเนี่ยคือพระโสนะที่มีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าอีกองค์หนึ่งโสนะกุติกันนะ นั่นก็รวยมากแต่ว่าไม่มีคนขึ้นในฝาา่าตาที่ว่าขนาดตุ้มหูเนี่ยตุ้มหูที่ที่คนอินเดียทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาแขวนเขาห้อยเนี่ยนะราคาตั้งโกดมูลาค่าสิบล้านเพราะว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีก็เลยตั้งชื่อว่าโส น, นะโกติกันนะโกติแปลว่าโกกันนะคือตุ้มคือตุ้มหูกันหน้าจำไม่ได้วหูหในนี้หมายถึงตุ้มหู โสนะโกติกันนะโกติกลายเป็นกตูติส่วนโสนะโกลิวิสาโกลิวิสาเป็นชื่อสกุลโสนะเป็นชื่อตัวเป็นลูกผู้ดีจัดมีขนขึ้นที่ฝ่าเท้าเป็นชาวนาครจำปาแควนอังคะโสนะโกติกันนะนาชาอาวันตีชาวแควนาวันตีแต่ทั้งคนเป็นทั้งคู่เป็นลูกเศรษฐี องนี้ก็เป็นลูกเศรษฐีลูกท่านอุสภาเศรษฐีเกิดมาก็มั่นมั่งคั่งมีความสุขอย่างยิ่งท่านใช้คําว่าละเอียดอย่างยิ่งละเอียดเนี่ยถ้าใช้เภาษาบาลีจะเรียว่าสุคุมมารชาติละเอียดเนะ่ยคือเนื้อตัวเนี่ยละเอียดหิวพันวันนะทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนตรงนี้น่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับบอบบางนะ แสดงถึงความมีกุศลวิบากอย่างยิ่งและความเป็นอยู่บ้านเรือนอาหารการกินก็ละเอียดอย่างยิ่งเหมือนเทวดาเพราะว่าท่านละเอียดอย่างยิ่งนี่แหละตอนหลังท่านถึงมาปราลาบว่าเราเกิดมาเป็นคนละเอียดอย่างยิ่งสุขมุมานอย่างยิ่งเนี่ยชารอยจะเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมท่านคิดอย่างนี้ ท่านก็เลยไม่ไว้หน้าเท้าแห่สำมโนนไหวหน้านี่ไม่ไว้หน้าเท้าตอนเดินจงกรมเลยเดินเท้าแตกเป็นแตกคืออที่แตกเนี่ยท่านโทษว่าเราเนี่ยเนื่องจากว่าเท้าเราเนี่ยเกือบจะไม่ได้เหยียบดินจะไปไหนก็มีแคล่มีรองเท้ามีคนอุ้มคนหามคนล้างคนเช็ดให้คนนวดฟันใหอย่างดีท่านมาคิดตอนบวชแล้วว่า เป็นอุปสรรคการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดว่าเราเดินนิดเดียวเท้าแตกเลือดออกเราไม่ควรจะเห็นใจเท้าควรจะเดินให้ให้เท้าด้านประเภทนั้นนะก็ะเลยโดนใช้ความเพียรอย่างยิ่งเลยบรรลุทาไม่ได้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องมาโปรโดนะพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จมาถึงปลายที่จงกรมถามภิกษุทั้งหลายว่าที่จงกรมนี้แดงไปได้เลือด เหมือนกับทางเดินเข้าโรงฆ่าหมูท่านท่านตัดเป็นจำนวนนี้คงจะใกล้ยๆ ก, กันก็ถามว่าทางนี่เป็นเลือดของใครพิทู ก, ก็กราบทูลพระเจ้พระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วก็ได้ทรงเสด็จไปโปรดว่าท่านทําความเพียนแรงเกินไปคําว่าทําความเพียนแรงเกินไปของท่านเนี่ยที่สอนในสูตรนี้ เ, เวลาที่เราพูดถึงความเพียนแรงกันไปเนี่ยในธรรมแดรบอกลดความเพี่ยนลงมาอันหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มคุณธรรมส่วนอื่นเข้าไปวิธีที่พระเจ้าทรงสอนแก่โสนะโกริวิสานั้นให้เพิ่มความดีส่วนอื่นหรือพูดให้ชัดอย่างภาษาปฏิบัติธรรมคือเพิ่มอินทรีย์ตัวอื่นเช่นเพิ่มสมาธิให้มากขึ้นยอืมก็เลยทําให้ ความเพียร น, นั้นไม่ชื่อว่าแรงเกินไปเมื่อความเพียรไม่ถูกกํากับด้วยอินทรีย์ตัวอื่นอย่างนี้อากุศลก็เข้าแทรกไม่ได้เช่นอุท ธ, ธัจจะไม่เข้าแทรกเพราะตอนนี้นะ่ะอุท ธ, ธัจจะเกิดอุท ธ, ธัจจะโก ก, กุจานะเข้าแทรกทําให้ท่านประพฤติธรรมไม่สําเร็จอที่มาบวชเนี่ยเนื่องจากว่า พระเจ้าพิมพิสารอยากจะดูฝ่าเท้าก็เลยถือโอกาสนัดประชุมพวกมานบพวกผู้ใหญ่บุ่งผู้ใหญ่บ้านนะจากที่ต่างๆทั่วทั้งแควนเดินทางกันมาแล้วก็ส่งทูตไปสัมทับว่ า, าในสกุล น, นี้ขอให้ส่งโสนะโกริวิษามาอย่าได้ลืมทีเดียวก็ส่งมาแม่ก็รู้ว่าพระราชาอยากจะดู แต่พระราชาจะไม่พูดตรงๆแต่เป็นที่รู้ก็เลยสั่งลูกว่าเมื่อลูกไปถึงแล้วขอให้นั่งอย่างไรไห้ฝ่าเท้าขึ้นอย่างไรอย่าเหยียดเท้าไปไปหาพระราชาไม่เหมาะพระราชาก็ได้เห็นเมื่อได้เห็นแล้วก็บอกให้ไปฟังธรรมะที่ทระเวโรวันทุกคนก็ไปกันทั้งหมดหลวงพเจ้าก็ทรงแสดงธรรมพอแสดงธรรมจบเนี่ยโซนะเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ย ควจะต้องบวชอยากจะบวชก็รอให้เพื่อนไปกันหมดพอเพื่อนคล้อยหลังไปกันหมดก็เข้าไปกราบทูลขออนุญาตบวชพระผููมียาภาฯก็ได้ส่งประธานการบวชให้แเมื่อบวชแล้วก็หลีกเล่นไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมอย่างอุคฤิตอย่างที่ว่านั่นแหละครับพอพระพุทธเจ้าไปโปรดจากนั้นก็บรรลุกเป็นพระอหรหันได้ในที่นั้นนั่นเองนี่เป็น ประวัติของท่านโซนะกุติกันนะอาโซนะโกลิวิสาเราเลยไปถึงอีกองหนึ่งองค์ก่อนที่จะเลยไปนี่นะมาพูดถึงบุปกา ร, รทานนิตยกด็ดีท่านโซนะเนี่ยท่านได้เคยทำบุญด้วยที่จงกลมมาก็สมควรที่ท่านจะบรรลุ เป็นพระอระหันต์ด้วยการจงกลมดวยที่จงกลมนี่นะคือในสมัยพระอนุมัติ ส, สีท่านเกิดเป็นคนมีอยนจะกินแล้วก็ได้ทําที่จงกลมถวายพระพุทธเจ้าคือปรับที่จงกลมแล้วก็เอาปูนขาวเนี่ยมาโลยสมัยก่อนปูนซีเมนยังคงไม่มีนะให้พระผู้มีพระภาคได้เสด็จจงกลมโดยสะดวกก็เลยเป็นบุญเป็นบารมีติด ท, ท่านมา แล้วก็เห็นว่าโรยเนียปูนขาวไม่พอยังเอาดอกไม้สี ต, ต่างๆเนี่ยมาโปรโยเป็นพุทธบูชาด้วยนี่เป็นบุญที่ท่านทําไว้ดีทําไว้มากในสมัยในอดีตเลยมาทําให้บรรลุเป็นพระฐานในที่จงกรมหรือในอิริยาบถจงกรมหรือในการเดินจงกรมเราก็ได้ก็สังเกตว่าคนบรรลุในจังหวะไหนา ย, ยังหว่าไหนเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดหลายอย่าง กรรมเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งจากนั้นมาถึงท่านพระเรวัตะท่านพระเรวตะนี้เป็นองค์เดียวกันกับองค์ที่42ที่ชื่อว่ากัิรววนิยะเรวตะคือเป็นน้องชายพระสัลีบุตรที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตข้งการบวชบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบครับและที่บวชเนี่ยก็บวชโ ด, ดยหนีขบวน แต่งงานไม่อยากแต่งงานออกมาบวชบา ร, รมีเรียกร้องครับคือเรียกว่าพี่ชายนะบวชเมื่อเป็นหนุ่มแล้วแต่ว่าน้องชายคนเล็กเนี่ยบวชเมื่ออายุเจ็ดขวบเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็คงจะไม่ต้องเล่านะเราเคยเราได้เคยเล่ามาแล้วตรงนี้ อ, อท่านเอามาพูดไว้อีกเพราะว่า ในเหตุการณ์ตอนนี้นะท่านได้แสดงธรรมะอีกเรื่องหนึ่งในตอนที่ท่านจะประลิพนานตอนจะดับขันครับตอนจะดับขันน่้นว่าท่านเข้าเตโชสมาบัติและอธิษฐานให้ไฟลุโลงพ่วมตัวแล้วก็ประลิพนิผานไม่เปิดโอกาสให้ใครในมีโอกาสประยอดวางไม่จันเลยองค์ถัดไปสองร้อยสี่สิบห้า องค์นี้ชื่อว่าโคทัตตาเรื่องของท่านองค์นี้อาจจะมีเรื่องประหลาดหน่อยอผมเล่าแบบตามเนื้อผ้าไม่เรียกว่าเล่าไม่หลบข้อมูลแต่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีไม่เหมาะที่จะไปพูดในที่สาธารณะเพราะว่าบางอย่างก็ไปเล่าแล้วคนาอาจจะเาขาอาจจะดูถูกได้ว่าเรื่องเลวไหล ก็ลองฟังดูเหลวไม่เหลวนะผมเล่าตามเนื้อผ้าส่วนใครจะเชื่อตามเนื้อผ้าหรือไม่เชื่อตามเนื้อผ้านั้นแล้วแต่เพาเราเล่าอย่างนี้ไม่ใช่เล่าเพื่อเอาอย่างอื่นเล่าเพื่อเอาข้อเท็จจริงในประวัติของแต่ละท่านแต่ละท่านท่านโคทัตตานะเกิดในสกุลพ่อค้าเควียนเป็นชาวเมืองสาววดีอ่า พอพ่อตายก็ทำหน้าที่บริหารธุรกิจการค้าแทนพ่อก็คุมเควียนไปไปม า, มาจากเมืองนั้นไปเมืองนี้อย่างนี้นะตามลักษณะของคนค้าเควียนก็ได้ทำบุญทำกุศลตามสมควรแค่นี้วันหนึ่งในระหว่างที่คุมกองเควียนลากไปสู่ที่หมาย จากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งก็เกิดมีเคลืยกวาโคตัวหนึ่งเนี่ยมันลากเควียรไม่ไหวท่านเองก็โมโหโเอาประตักแทงมันเข้าแล้วแล้วเราเาอย่างแรงควายมันก็คิด เ, เรื่องประวัติท่านเนี่ยท่านเอามาเล่าทีหลัง คือพอเป็นพระหลานเล่าบางทีท่านเล่าอะไรแต่อะไรได้ได้ไดข้อมูลเพิ่มเติมกว่าตอนที่ท่านเห็นเหตุการณ์นั้นมาเองเป็นอันมากอย่างว่าตอนเล่าท่านไม่รู้ความคิดของโคตอนหลังท่านอ่านมารู้ความคิดของโคอในนี้ท่านก็เลยบอกว่าโคตอนที่ท่านแทงโคเนี่ยโคมันก็คิดความจริงทนายฉนมันก็คงมีสิทธิจะคิดนะบางทีเราเห็นสุนนัขะ ันเราสบตาไปแล้วเราก็อยากเรยนรู้เหลือเกินว่าขนาเนี้ยหมามันคิดว่าอย่างไงเมื่อมันสบตาเรามันต้องมีความคิดใช่ไหมใช่แต่เราไม่รู้บ้างมากแล้วก็พอจะตันนิฐานแลามันกระดิกหางมันเห่ามันอะไรอย่างนี้นะหรือเวลาที่มันนอนแล้วก็มีอะไรกระดกขึ้นมามันทําท่าสะดุ้งลุกขึ้นมาจ้องมองมันคิดว่าอย่างไง มันพูดให้เราฟังไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะรู้ใจหมาได้เพราะเรายังไม่เป็นคนมีเจโตบริยไ อ, ไอ้โคมันก็คิดว่าบอกคนคนนี้เป็นอาสาดบุรุษคือแปลว่าคนไม่ดีคนเลวไม่รู้กำลังอันควรแก่เราแทงเราหนัก แค ง, งเราอย่างหนักมากโคนั้นก็เลยกระดดในนี้ท่านฟังต่อไปเรื่องเลยเชื่อโคนั้นได้ ด, ด่าโคทัตตโคด่าโคบอกว่าดูก่อนโคทัตตาผู้เจริญนี่เป็นสำนวนภาษาคือแม้แต่จะด่าก็ยังเรียกผู้เจริญนะเป็นภาษา ไพเลาะภาษ า, าติดปากเราไม่ออมกำลังของตนตลอดการมีประมาณเท่านี้คือตั้งกระทำงานไม่เคยออมภาษาเราเรียกว่าอะไรไม่เคยอู้ไม่เคยเออมกำลังเอาไว้ด้วยความขี้เกียจแต่อย่างใดเลยทำตั้งกระทำงานเนี่ยจนถึงตั้งแต่ไหนแต่ลายมาเนี่ยการเท่านั้นแหละนำภาระของท่านไปเอาเถอะ เมื this, this, ่อเป็นอย่างนี้และท่านยังทําอย่างนี้ถ้าเราตายจากอัตภาพนี้แล้วขอตั้งจิตอธิษฐานจิตขอเกิดเป็นศัตรูของท่านพบท่านอีกเมื่อใดขอให้สามารถเบียดเบียนท่านได้ทําท่านอย่างใจปราตาณาได้ก็เรื่องนี้ท่านก็ไม่ได้วิจารณ์ว่าเคอยู่ๆควายพูดได้ระบุวพูดเป็นภาษามนุษย์ด้วยนะ แถ้าเป็นที่อื่นเน้่เราท่านยังพอบอกอย่างเช่นว่าบางอย่างบางที่สัตว์ฟังภาษามนุษย์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนเป็นผู้ไปสื่อนะฮะแล้วหรือพระพุทธเจ้าหรือเทพพญดาทําให้พูดได้คล้ายๆผีเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเราพูดอย่างเราเนี่ยพูดภาษามนุษย์ปกติพูดได้ ถ้าผีฝรั่งมาเข้าพูภาษาอังกฤษได้ผีถ้าเทวดามาเข้าพูดภาษาเทพได้นะอันนี้รับไปพิจารณาเปกดอดเทียบอย่างนี้ทีนี้พวกนี้นะผมสันนิษฐานเอาท่านไม่ได้เล่าว่าตรงนี้ทั้งจะไกลไกลที่อื่นว่าบางทีเนี่ยใายๆว่าเขามีมีเทวดาที่เป็นวิสายเขาต้องการจะทําให้เกิดความสังเวชในจังหวะที่เหมาะสมเขาก็มาทําให้ให้สัตว์เนี่ยพูดออกมา จะพูดออกมาเป็นเสียงสัตว์หรื อ, อพูดเป็นเสียงอื่นตามหลังมามันได้หลายแบบนะฮะการศึกษาศาสนานต้องกล้าศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็อย่า ก, กลัวอยาอ่าอายฮะแต่เวลาจะพูดที่ไหนควรพูดไหคุณมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลาเราต้องกล้าศึกษาแล้วก็นานเข้านานเข้านี่มันมันมีความเป็นไปได้แล้วอย่างที่ผมเคยว่า ว่าคนที่เขามีอนนภาพเนี่ยเช่นอโนภาพของพระอริยะอโนภาพของเทวฤทธ์ก็ดีสามารถที่จะทำให้เกิดการรับรู้ความหมายได้อันนี้ย้ำบ่อยๆแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เราเห็นจริงเพราะว่าหลายๆคนบางคนซึ่งหาไม่อยากมากนักในรุ่นเราเนี่ยสามารถจะสื่อความหมายกับเดรัจฉานได้พูดกับมันได้ มันเราไม่สามารถทําให้มันพูดกับเราได้แต่เราสื่อให้มันรู้เรื่องได้พวกยุคเราเราอย่างคนรุ่นรุ่นเราเราทำขั้นนี้พอได้แต่บางคนเขาพูดกับสุนัขได้ความวิ่งทลามาเงียวเฮ้ยพวกเดียวกันยาวกัน <laughs> มันมันไม่กัดคือแม้บางคนนึงก็แปลกอย่างนะเออสมัยผมเด็กๆเนะี่ยเพําะทไม ไอ้เราก็ไม่กล้า ว, ว่าชายก่อนคุณเกิดเป็นหมามันเป็ไงพูดก็บมัรู้เรื่องหรือไอ้หมามันเกิดเป็นบริษัทบริวารพักผอกันม า, า, า, าไงก็ไม่รู้ไอ้เราเด็กๆมันมีอยู่บ้านโอ้หหมามันดุเขชอบเลี้ยงหมาเยอะตั้งห้าหกตัวเราก็เด็กเวลาจะผ่านหน้าบา้านนี้ต้องอ้อมข้างหลังครับอ้อมไกลนะกลัวหมามันเห็นโอ้โหมันดุแต่ว่าถ้าคนค น, คนนี้เดินเนี่ย คุยกับหมารู้เรื่องหมดทุกตัวจะหัวจะหมางได้อะเราไปกับแกเนี่ยแกก็พูดผูกมิดห้พูดดูแลเราให้เออดีนี่แกตายไปแล้วขนาดหมาดุดูเนี่ยไอ้ประเภทหมาไทยหลังอานดุขนาดไหนเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่กัดกันที่คุยกันรู้เรื่องมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวเกี่ยวกันมานะไม่อ่านีก็ต้องเป็นคนมีความสามารถทางจิตมากไปเลยถึงสื่อความหมายกันได้ แม่งั้นถ้าทุดงท่านคงไม่อยู่ก็เสือก็จ้างอะไรได้หรอกนะเวลาไปทุดงในป่าเอาละเราก็ว่าถึงว่าเมื่อท่านได้ยินอย่างนี้ไอ้ความสลดสังเวชก็เกิดขึ้นคือสำเนากกตัวเองทำความผิดแล้วก็เกิดความกลัวว่าไอ้โคเนี่ยมันจะผูกพยาบาทความคิดขนาดนั้นบวกกับ สิ่งปรากฏการอันอัศจรรย์ที่ตัวเองไม่เคยรู้เคยทราบเคยคาดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้มันท่าทางมันเหมือนจะต้องเป็นไปได้จริงๆนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่เราจะทำยังไงดีเลยไปเจอพระองค์หนึ่งพระคงจะเป็นพระหลานละในในเวลาต่อมาเลยไปขอบวชกับท่านเล่าที่มาของการบวชให้ท่านฟังท่านก็บวชให้แล้วบาเพ็ญ พิพิธณาคำมัฐานที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้บอกว่าบรรลุภายในกี่วันต่อไปองค์ที่สองร้อยสี่สิบห้าองค์นี้เห็นชื่อเราก็นึกถึงพระเถระองค์สําคัญองค์นั้นได้ทีเดียวที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่ปลายสี่ปตนะมดลกั ต, กตยวันคือท่านอัญญาโกณธัญะ ท่นัญญากรทัญญาได้รับยกย่องจากพระบุตรเจ้าเป็นเอตสัสคะทางด้านความเป็นผู้รู้ราตรีนานคือมีอวุโสสูงมากแล้วก็บวชก่อนความจริงตอนบวชเนี่ยก็มีห้าห้าองค์ใช่ไหมมีห้าองค์แต่ว่าองค์นี้อายุมากได้รับยกย่องว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาของเรานะครับ ไปในตัฐคาของท่านเลยตัวท่านเองเนี่ยไม่บอกก็รู้ว่าท่านเกิดในสกุลพระรามและเกิดในแคว้นศักกะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าโคนาวัตถุเราไม่ยังไปไม่ถึงไม่รู้เขาค้นพบแล้ยอย่างนะในประวัติสมัยก่อนมันซึกไว้ในตำร า, า ว, ว่าไม่ไกลจากกบิ่รพัฒน์เป็นคนมีอายุแก่กว่าพุทธเจ้าแน่ พรตอนพุทธเจ้าประสูติท่านท่านก็เป็นคนรุ่นหนุ่มใหญ่แล้วแหละที่เป็นคนเดียวที่พยากรพุทธเจ้าว่าจะต้องบวชนี่แหละครับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะเราสราบกฤษฎาท่านอย่างดีเพราะเหตุว่าท่านมีความมั่นใจมากว่าพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ท่านจึง ตั้งใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าออกบวชเมื่อไหร่ท่านจะออกบวชก็จึงได้สั่งใครตะใครไวเลยว่าถ้าได้ข่าวพุทธเจ้าออกบวชเมื่อไหร่ท่านจะออกบวชด้วยก็แสดงว่าคนที่พอจะเชื่อว่าพุทธเจ้าจะต้องสาธุในความจริงมีคนอื่นอีกแต่คนอื่นไม่ถึงกับออกบวชแต่ท่านผูน้นี้ท่านมีความเชื่อมั่นสูงแล้วก็ต้องบวกด้วยความว่ามีอุปนิสัย ชัดเจนด้วยจึงตกลงใจที่จะออกบวชแล้วก็ตัวบวชคนเดียวไม่พอชวนลูกๆและหลานเป็นหลานเพื่อนบางหลานตัวบางเนญจวัคคีอะแล้วก็บางหลานบางคนเข้ามาบวชที่หลังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเนญจวัคคีก็เราก็รู้ว่ามาบวชแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตาัสรูแล้วก็จึง แร่บารมีนึกถึงว่าจะโปรโยใครก่อนจนกระทั่งมาอยู่ที่เบญจวัคคีแล้วก็เสด็จมาโปรดจากพุทธกยาถึงเมืองพาราณสีและท่านอัญญาคุณสัญญาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนแต่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ล้อมๆกันกับเบญจวัคคีที่เหลืออีกสี่ เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านหลีกเล่นไปอยู่ที่ป่าหิมพ า, านต์สิบสองปีอันนี้ก็เราก็ได้ตัวเลขแน่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อประกาศศาสนาอนัญญาคุณัญญบรรลุเป็นพระอรหันต์และดำรงชีพอยู่สิบสองปีหลังจากนั้นก็เราก็คงจะต้องคํานวณอายุเอานะฮะว่าพระพุทธเจ้าบรรลุเมื่ออายุ สามสิบหกใช่ไหมแล้วก็บวกอีกสิบสองแล้วก็อายุของพรามบวกเข้าไปอีกคือเกิดมาก่อนตีเท่าว่าอ า, อายุสักยี่0บห้าสามสิบก็บวกเข้ามาก็นับว่าอายุเยอะนะก็หลังจากอยู่ที่นั่น มีช้างช้างเป็นลูกศิษย์อยู่กับช้างพวกช้างเป็นอุปถัมภ์เข้าเวนปลัดเวนปฏิบัติกันอ่านแล้วก็เหมือนนิยายนั่นแหละถ้าเราไปอ่านประวัติพระธุดงค์ก็ยังชั่วขึ้นกอยิ่งชั่วหมายมาความว่ากอยิ่งชั่วที่จะรับฟังได้ นในระดับท่านเนี่เป็นพระอาหารหันต์ที่มีลิทานุภาพสูงเวลาเราผมเทียบอย่างงี้ว่าเวลาท่านพูดกษับสัตว์ฟังแล้วเข้าใจพูดเนี่ยเข้าใจให้เราเองเนี่ย เ, ยเราเราก็เคยพูดกันเนี่ว่าให้บางคนเนี่ยคําพูดเดียวกันนะ่ะคนหนึ่งมาพูดคนนั้นเข้าใจใช่ไหมคาพูดเดียวกันคนหนึ่งพูด พูดตั้งหลายครั้งไม่เข้าใจจริงไม่จริงมันเพราะอะไรเราคิดดูแล้วบางคนเนี่ยพูดซะอย่างหยิดดิบดีข้อมูลเงี้ยเพียบเลยเขาไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยไม่เชื่อแมวมีขั้นกว่าต่างๆกันเนี่ยนะมันเพราะอะไรเราคิดดูนะบางคนเนี่ยแค่อ้าปากหรือไม่ทันจะพูดเขาก็เริ่มเขาก็เข้าใจแหละแค่เห็นเดินเห็น แสดงอากับกริยาเขาเข้าใจแหละคนเข้าใจนะไม่ใช่คนฉลาดนะเพราะเขาไม่เคยเข้าใจใครเลยแต่ทําไมเขามาเข้าใจง่ายๆกับคนบางคนนะอะไรมันเป็นตัวการสําคัญจริงไหมนี่คือก็อได้จริงนะ อ, อผมขอประทานอภัยผมจะเล่าเรื่องว่าสมัยผมเป็นทหารเนี่ยนะมันมีไอทหารบ้าอยู่คนชื่อส ง, งวน เวลาบ้าขึ้นมาเนี่ยใครก็พูดไม่รู้เรื่องนะบางทีไปเที่ยวปีนู่นปี น, น, ป น, นี่ทําอะไรในลรงในร้อยไปพูดมไม่ฟังแล้วมันบอกว่ามันเรียกผมว่าอาจารย์นะ่บอกถ้า อ, อาจารย์มาพูดมันถึงจะยอมฟังถึงจะยอมลงเลยเราก็ต้องไปเที่ยวฟูนฮะงเออมันเชื่อแปลกจริงไม่เป็นคนทางอีสานนะเป็นคนทางอีสานผมก็ไม่รู้มีอะไรกันมานะ ถึงถึงพูดแล้วเขายอมรู้เรื่องกับผมไม่ได้ไปวานล้อมาเลยเลยนะเราก็ไปเจอเงงนเอ้ยเราก็เราก็ทาท่าเป็นเสียงผู้ใหญ่ความจริงเขาเข้าก่อนผมปีเลยนะเป็นทหารก่อนผมปีนะแต่ว่าพอขึ้นอกองรบร้อยแล้วผมกลายเป็นคนดูแลได้รับมอบหมายให้ดูแลทหารก็ก็เลยพูดกับรู้เรื่องเขาก็เลยเลยเหมือนกับคนคุยกันรู้เรื่องบางอย่างเ้าก็สอนผม เช่นผมจําไม่ลืมเลยบอกว่าตั้งแต่ปีหน mm ึ่งเก้าเขาบอกว่ารู้ไหมคําว่าอาจารย์เนี่ยแปลว่าอะไร mm hmm. เขาบอกอาจารย์แปล ว, ว่าผู้ตามสอนถึงจะเรียกว่าอาจารย์ถ้าสอนทิงๆควางๆไม่เรียกว่าอาจารย์ยอะไรเออเขอเข้าใจสอนเราก็เลยจําติดหัวมันล้เอ อ, เ อ, อพูดเลี้ยงกัน ว, ว่าเราเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันมาไงนะเออ เพราะนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้นะพลังธรรมะเนี่ยนะพลังธรรมะมันมีพลังบุญด้วยอะไรด้วยอย่างอื่นแต่พูดถึงว่าไอ้พลังธรรมะเนี่ยทาให้เกิดาการสื่อความหมายที่รู้เรื่องกันได้ที่หยุดใจกันได้พระดีๆผู้มีธรรมะสูงๆเนี่ยท่าน <c oughs> สามารถจะเรียกเสือมาลูบหัวได้ก็เพราะอย่างนี้เราลองไปเรียกสิ ข น, นาดไอเสือที่เขาขังไว้ตามสวนสัตว์เราจะไปถ่ายรูปอย่างเสียวๆเลยใช่ไหมละ่ะรวมมันไม่เชื่องกับเราะม่เชื่องอาจจะเชื่องกับคนอื่นนะฮะผมก็จะเลยมาถึงอีกองคหนึ่งละ่ะออก่อนที่จะเลยมีเรื่องดีของท่านอัญโยงทัญญะอยู่ประเด็นที่อยากจะพูดให้ฟังเนี่ยนะ สิ่งที่เรียกว่าการละทานนี่เป็นตัวอย่างถ้าหากว่าใครยาพูดเรื่องการละทานกนะ็ขอให้มาดูประวัติของท่านอัญญางโกนธัญญะการละทานแปล ว, ว่าทานที่ทำตามการมีความหมายเป็นหลายอย่างหลายกรณีกรณีหนึ่งเนี่ยหมายถึงผลิตผลที่เราได้ใหม่ๆแล้วเราเอาไปทำบุญก่อนเรียกว่าการละทานเช่นว่า เออ่เราได้รับเงินเดือนเรานึกถึงเรื่องบุญก่อน<ม>เกียรติไปทําบุญอะไรสักก่อนเนี่ยเป็นให้พ่อให้แม่ก่อนอะไรอย่างนี้นะถือเป็นการละทานทีนี้อถ้าเป็นเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรอย่างกรณีของท่านอัญญาชนญาตเนี่ยทําให้ท่านได้บรรลุก่อนแล้วก็ได้โอกาสอะไรก่อนคนอื่นก็เพราะว่าเป็นผลของการละทานที่ท่านได้ทําไว้ที่เอาเล่ากันให้ ชัดเจนไปเลยนะครับว่าในอดีตชาติคือสมัยพระพุทธวิปัสสีเนี่ยท่านเกิดเป็นกระดุมผีมีชื่อว่ามหาการแล้วได้เรื่มสายทางาศาสนาท่านมีอาชีพทางกสิกรรมทำไร่ทำนาเวลาที่ข้าวท่านาปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวท่านจะเอามาทำการละทานได้ถึง9ก้าระยะ9ก้าระยะคือ เมื่อท่านปลูกข้าวข้าวตั้งท้องนี่ถือเป็นเป็นผลผลิตระยะที่หนึ่งข้าวตั้งท้องไปทำอะไรได้เด็กๆนี่ผมได้ทันเห็นทำอะไรรู้ไหมทาเขาเอาข้าวตั้ ง, งท้องกืนข้าวเรียงเป็นนมอยู่เอามาตำตำแล้วก็คั้นเอา น้ำของมันออกมานมของมันออกมาเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครได้ยินบ้างเลยเจะเลยไม่มีใครเคยทําการลทานบ้างเลยจะเลยไม่มีใครเคยเห็นบันเข้ามาุษทําบ้างเลยเจะเลยนี่ว่าแต่ชุดใหญ่เข <c oughs> าเรียกข้าวอะไรอยา่ายาคูเนี่ยข้าวยาคูข้าวยาคูเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมีบธาบาได้บ้างไหมไม่มีเลยนะมีบ้างเหมือนกันเหรอ มันไม่ไม่ใช่ข้าวยาคูหดนะเป็นข้าวยาคูที่เขาทำอย่างตามระลับโบราณเนี่ย น, นะแต่ต่างจังหวัดยังคงมีนะเนหรอะอ๋ อ, อที่รังกาช่เหรอแล้วทางจีสารอะไรีไ ม, ไม่ไม่มีบ้างเลยช่เหรอแต่สมัยผมเเด็กเนี่ยได้เห็นแถวลำลูกกาแถวประตูธานีอะไรเนี่ยนะมันยังเป็นต้องไรต้องนาสมัยก่อนและเคยเห็นผู้ใหญ่เขาามาตำ แล้วก็จํารสชาติไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงตอนนั้นยังเด็กมากเพราะฉะนั้นเมื่อข้าวแก่ขึ้นพอจะทํำข้าวเมาได้เป็นระยะทํำข้าวเม่าข้าวเมานี่จะไปเอาเข้าวสุกเต็มที่มาทําก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้นะต้องเป็นข้าวสมัยที่เป็นข้าวเมามาทําเป็นข้าวเมาแล้วก็ระยะ เกี่ยวเกี่ยวนี่หมายถึงข้าวสุกแล้วเกี่ยวก็ช่วยเอามาทําบุญคือแบ่งมาทําบุญตอนระยะเกี่ยวระยะทํข้าวเน็ตก็จะมัดเป็นค้เน็ตเป็นกรรมเ ป, เป็นฟ่อนก็ทําบุญทําเป็นฟ่อนก็ทําบุญสมัยที่เอาข้าวขึ้นลานก็ทําบุญแบ่งทําบุญในสมัยที่เอาข้าวขายก็แบ่งทําบุญ แล้วก็สมัยที่ข้าวที่ขายไม่หมดสมัยก่อนก็ไม่ขายหมดอ่ะอาจาต้องเอาเก็บไว้ทำปันเอาเก็บไว้ตำตอนที่ตวงข้าวข้าวฉางทาบุญแบ่งทำบุญโอ้โหนี่ภาษัยบุญกินต ล, ลอดนะ น, น, นี่นะแต่ไม่หมดทางหลักศาสนาเราเชื่อว่าการทำอย่างนี้ไม่หมด จะได้ต้องมีส่วนเพิ่มเติมเช่น ว, ว่าข้าวปริมาณอาจจะลดลงแต่ราคาข้าวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอา้าวพอเราทำข้าเมายังไม่ทันจะเกี่ยวคนอื่นเขาน า, นานล่มเราไม่ล่มคนอื่นเขานกลงเราไม่ลงอะไรเงี้ยบุญอะไรอย่างพวกนี้ทำการละทานไหมเนี่ยไอ้พวกที่ที่เมาแล้วเงินเดือนออกอะ่ะ พอออกปั๊มยังไม่ทันจะพ้นหน้าโรงงานเลยมันแวะเลยแะเลีเ้ยงแหละพ อ, อจะถึงบ้านเนี่ยหมดพอดีอย่างนี้ไม่ใช่การทานเพราะไม่นั่นทําอย่างนี้ไม่ทําให้หมดตัวแต่ทําให้มั่นคงแล้วก็ทําให้ดีขึ้นด้วยความสามารถทางบุญต่อไปอีกองหนึ่งครับนี่สองร้อยสี่ิเจ็ดล่ะ ชื่อว่าพระอุทายีอุทายีนี่เราถ้าอ่านวินัยเราก็เจออุปอุทายีที่ทําวินทำผิดวินัยหลายเรื่องแล้วก็ที่เราผ่านมาแล้วมีองค์หนึ่งชื่อว่าการุทายีอุทายีดําตายีผิวดําเมื่อคราวที่แล้วนะอุทายีองค์นี้เอคือท่านมหาอุทายีไม่ใช่โลลุทายีหรือลาลุทายีอุทายีหลอดแหละ เหลวไหลไม่ใช่การุทายีที่เป็นอมตมาบวชแล้วนิมนต์พุทธเจ้ากลับไปโปรดพญาติท่านอุทายีองค์นี้เป็นชาวเมืองกบิลพั์เหมือนกับท่านการุทายีเพียงแต่ว่าท่านการุธายีนะั้นเกิดในสกุลอมาตท่านอุทายีนี้เกิดในสกุลพราหมณ์ข้อที่ได้บวชเนี่ยเพราะว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพพุทธเจ้าเมื่อ ท่านกาลุทายีนิมนต์พุทธเจ้าเสด็จโปรดพระญาตินั่นแหละอุทายีองค์นี้เลยได้ศรัทธาแล้วออกบวดแล้วก็ได้ทำวิปัสนาบรรลุเป็นอรหันต์ไม่นานนะครับไม่ได้ระบุว่าวันเวลาชัดเจนไว้ประวัติท่านไม่มีอะไรโลดโผนต่อไปก็ไปถึงอีกองค์หนึ่งแล้ว อง์นี้สองร้อยสี่สี่สิบแปดก็ไอตัวเลขนี่บางทีมันอาจจะผิ ด, ผด พ, พลาดอะไรบ้างนิดหน่อยนะข้าวหน้าค่อยดูอีกทีคือพระอาทิมุตตะเถระองค์นี้เองที่เป็นหลาน ของสัมมาเนนสังกิตจักที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้และเป็นหลานที่มีบุญมีบารมีคล้ายๆลุงเป็นหลานลูกน้องสาวของท่านสังกิตจักคงจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรืออย่างไรหรือเป็นต่างพ่อต่างแม่กันไม่ได้ระบุชัดท่านอาทิมุติเนี่ยมาบวช เป็นเนนอยู่กับลุงก็คงจะมาบวชตอนลุงมีอายุพอสมควรแหละแล้วก็ทําวิปัสนาบรรลุเป็นอรหันต์ตั้งแต่ตอนอยังเป็นเนนนะนี่บรรลุเร็วเหมือนลุงอีกเหมือนกันเนนสังคีจาก็บรรลุอรหันต์ตั้งแต่เนนองนี้ก็บรรลุตั้งแต่นเนน <c oughs> พอบรรลุเป็นพลาอรหันต์แล้วก็จะบวชเป็นพลานี่ก็ วินัยกำหนดไปแล้วว่าต้องไปขออนุญาตจากพ่อแม่ก็ไปขออนุญาตจากแม่ลาบวดเป็นพระก็ในระหว่างที่เนนอะรหันเนี่ยเดินทางกลับก็ไปเจอโจรโจรโดนโจรจับเหมือนกันจะไปทำปรีกรรมคล้ายคลย้สังกีจจะทําเนนแต่ว่าคนที่มีธรรมะนี่ไม่หวั่นไหวไม่มีอะไรผิดปกติเลย แต่หน้าตาปองใสโจรก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะเด็กตัวเล็กๆก็ไม่กลัวเนนก็เลยได้โอกาสแสดงทําให้พวกโจรฟังเป็นเด็กแต่พูดเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็แสดงออกอย่างคนที่มีธรรมะสูงมากโจรต้องรู้สึกตัวแน่ในที่สุดหัวหน้าก็อาัศาจรารย์ใจ mm hmm. ก็เลยถามสืบสาวลาวความเนงก็เลยอธิบายธรรมะให้ฟัง ในที่สุดโจรทั้งหลายเนี่ยพากันเลื่อมใสแล้วขอบวชขอบวชกนเนัเนธเนนก็อสอนธรรมะให้ปรากฏว่าโจรทั้งหมดนั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปในที่สุดอีกแต่ว่าตอนบวชเนี่ยมาบวชกับท่านสังกิจจานะเนนไม่มีสิจะบวชให้หรอกคือพอแสดงทำเลื่อมใสแล้วก็พามาพบหลวงลงุลงหลวงลุงก็บวชให้ บอกกรรมฐ า, านให้มาปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระหลานหลังจากเลยไปถึงอีกองค์หนึ่งสองร้อยสี่สิบเก้าปาราสริยะเทระท่านปาราศริยะเ ท, ะทา ร, าร ะ, เทะเป็นพวกพราหมณ์มหาศาลนะฮะพราหมณ์ร่ำรวยชาวเมืองสาวัตถีก็ ตามเนียมของพระมังครับต้องร่ำเรียนอะไรแต่ไรตามขติของพราหมังพวกมีการศึกษาคือพวกปาร์แล้วก็ได้ <c oughs> ไปฟ้าวพระพุทธเจ้าที่วัดประเจตาวันพระเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้ผสมเข้าไปฟังด้วยฟังแล้วก็เลื่อมใสซึ่งระหว่างนั้นพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรสูตรหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในมัชธิมณีกายปฏิปิฎกเล่มที่ Uh, ดูเหมือนจะสิบสี่นะชื่อว่าอินตริยะภาวนาสูตรแสดงคือที่ทรงเลือกแสดงตัวนี้เพราะว่าพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพรามคนนี้ว่าควรจะได้ฟังเมื่อได้ทรงแสดงพรามก็เกิดความเลื่อมใสอย่าง uh, มากมายนะแล้วก็ได้ขอบวชเมื่อ บทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงประธานให้เจริญวิปัสนาโดยอายตนะบัพพะที่ฉัใช้คาว่าถือเอาอายตนะเป็นประธานคือกําหนดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตามหลักของอินทริยภาวนาในอินทริยพวาวนาเ น, นี่ยมีการสนทนากันด้วยมติของพวกนอกศาสนาว่าวิธีการอบรมอินสีตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไม่ดูพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นไม่ใช่วิธีของท่าน วิธีในธรรมวินนยนี้ไม่ห้ามการดูแต่ให้ดูด้วยสตินั้นตัวสติเนี่ยเป็นโดมไม่ถือเอานิมิตไม่ถือเอาอนุเพยันชนะนั่นเองก็บรุพรลาหลานไปด้วยบับนี้จากนั้นมาถึงองค์ที่สองร้อยสี่สิบเก้าท่านเตลู ก, กานิ ท่านเตลุกอนนี้ก็เกิดเป็นสกุลพรหมีครับจากเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นคนที่มีอายุแกกว่าพุฒิเจ้าออกบทเป็นปริพาชกมาก่อนใช้ชีวิตปริพาชกอย่างโชกโชนมานานกระทั่งมเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสเสด็จที่เมืองสาวัตถีจึงได้มีโอกาสไปรับธรรมะจากพระพุทธเจ้า จากนั้นจึงได้บวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปอีกองคหนึ่งในที่สุดนี่ก็เป็นคนที่มีภูมิหลังเป็นนักบวชมาก่อนโดยมากพวกที่จะบวชนอกศาสนาแล้วมาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเบื่อสังสารวัตรและจึงบวช ประเภทที่บวชเพราะเหตุผลอื่นมีน้อยมากเหตุผลอื่นหมายก็บวชเพราะเห็นแก่ลาบบวชเพราะอะไรอย่างอื่นเนี่มีน้อยแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่เพราะว่าตัวเองมีบา ร, รมีแล้วมีกิเลสที่เป็นเหตุผลทาให้บวช ด, ด้วยความประสงค์อย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องอ่าถึงจะบวชแล้วมาคบธรรมะเข้าก็บรรลุธรรมะได้ ต่อไปอีกองหนึ่งองนี้คือท่านรัฐบาลเถระรัฐบาลที่เราเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นชื่อขององค์กรระดับสูงของบ้านเมืองเ่าเนี่นะเรียกว่ารัฐบาลแปลว่ารักษารัฐภาลาก็คือรักษาแต่นี้ทำไมมาเป็นชื่อของท่านวรัฐบาลความจริงรัฐบาลไม่ใช่เป็นชื่อตัวท่านแต่เดิมหรอกครับเป็นชื่อสกุลท่าน เนื่องจากว่าสกุลของท่านเนี่ยเป็นสกุลที่ชอบความสามัคคีแล้วก็มีความสามารถที่จะประสานสามัคคีในระดับรัฐต่อรัฐรัฐที่เขาจะทะเลาะจะฆ่ากันเนี่ยท่านสามารถประสานสามัคคีเป็นความสามารถพิเศษเป็นชื่อเสียงพิเศษเขาเลยเรียกสกุลท่านว่ารัฐบาลแล้วก็เรียกตัวท่านว่าเป็นรัฐบาลด้วย เ, เลยเป็นชื่อท่านไปในที่สุดพดระรัฐบาลาในสมัยนี้น่ะเราอาจจะเห็นบางคนที่ ย, ยกย่องว่าเป็นนักการทูตเจรจาทำให้ประเทศที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมาคุยกันเรื่องพระทูตคนนี้หลายคนเข้าใจผมจแต่จะเล่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องโลกๆมาปนเยอะไป ก็สึงเดียวนี้ก็ยังไม่เคยลืมเออคนนี้เก่งสามารถไปเจรจาเป็นนักการพูดลิ้นทองในยุคปัจจุบันยังไม่ตายแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วในสมัยพรพะพนรายก็มีเ้าวพญากตปานก็มีความสามารถทางนี้เป็นพิเศษเอาละเมื่อรู้ว่าท่าน เกิดในสกุลรัฐบาลซึ่งเป็นเศรษฐีมหาศาลบ้านที่ท่านอยู่เนี่ยอยู่ในแคว้นกุรุครับในรัฐกุรุแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่กรรมาตรธรรมนิคมซึ่เป็นที่แสดงสติประสานสูตรที่เราเคยไปกันมาบ้านของท่านมีชื่อว่าถุณลาโกรติกะนิคมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหรอกอ ที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าตัวท่านเองเนะมาได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อคราวสเสด็จแสดงธรรมที่แขวนกุรุเป็นครั้งแรกเมื่อไปได้ฟังธรรมพุทธเจ้านะเกิดความเลื่อมใสเพราะว่าท่านรัฐบาลเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องในตอนหลังว่าเป็นผู้เลิศ ด, ด้วยความศรัทธาคือบวช ด, ด้วยศรัทธา คนที่มีศรัทธาเนี่ยคนไม่มีศรัทธาก็ไม่พอใจนะและคนที่ไม่มีลักษณะนิสัยทางศรัทธาไปเห็นคนที่มีลักษณะนิสัยทางศรัทธาอย่างละเอียดละเอียดเนี่ยบางทีหนักใจอะแช่วหมทั้งคนอื่นหนักใจหนักใจในศรัทธาของคนนั้นเป็นห่วงในศรัทธาของคนนั้นก็บางคนก็มีศรัทธาที่น่าเป็นห่วงจริงๆ ศรัทธาที่คือคนที่มีศรัทธาหน้าเป็นห่วงสองประเภทนี้ฮะหนึ่งศรัทธาไม่มีปัญญา<ะ>หรือศรัทธาอย่างมีอวิบากห์ทางลายเช่นว่าศรัทธาแล้วเป็นคนมีทิฐิเป็นเจ้าเรือนมีมามีทิฏฐิคือความบินบิดนะปุกนี้ก็จะเลื่อกศรัทธาแต่สิ่งที่บิดบิลและอะไรผิดก็จะศรัทธามั่นทิฏฐิมีลักษณะยึดมั่น ศรัทธาก็ศรัทธาแล้วก็มีลักษณะน้อมไปหาอารมณ์น้อมอารมณ์เข้ามาแล้วก็ส่งต่อให้กับทิฏฐิอันนี้อันหนึ่งแล้วก็พวกที่มีอกุศลวิบากแล้วก็ไปศรัทธาในสิ่งผิดคนผิดอันนี้ก็เป็นช่องทําให้อคูสนิบาสนั้นย่า ม, มีได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นคนมีศรัทธาในสิ่งถูกแล้วเนี่ยศรัทธานั้นเป็นตัวเพิ่มพลังความสําเร็จ ศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้พระเห็นใจพระในใจอ่อนหัวใจของพระสั่นสะเทือนเพระาะศรัทธาอันนี้เป็นของจริงๆอันหนึ่งทีเดียวที่สังเกตศึกษาจนชัดเจนแล้วว่าถ้าเราศรัทธาคนที่เขาดีจริงๆเนี่ยนะฮะอย่างศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาสาวกพระเจ้าอย่างสมาัยก่อนเนี่ย พระเห็นใจนะพระเห็นใจแล้วก็มักจะได้รับการเกื้อกูลจากพระเหล่านี้มากแล้วก็ที่สังเกตอันนี้นคืออย่างพระที่ท่านมีความสามารถทางจิตสูงสูงพระดีๆเนี่ยแล้วถ้าเราศรัทธาใช้ศรัทธาเป็นตัวนําเนี่ยท่านจะกระเทือนใจเ้าก็จะเห็นใจขอให้เป็นศรัทธาจริงๆนะไม่ใช่ความยึดถือ ความเห็นแก่จะเอาประโยชน์อะไรจากจากท่านในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเมื่อท่านศรัทธาจะบวชเนี่ยตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขีขาบวชให้ขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อนก็ให้ไปขออนุญาตจากพ่อแม่ปรากฏว่าพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่และเรื่องนี้นะเราเห็นใจเรามานึกถึงอย่างเดี๋ยวนี้นะฮะ ว่าสมมติเอาง่ายๆคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งแล้วเลียวฉลาดแข็งแรงดีทุกอย่างเนี่ยแทบไม่มีที่สิฟงไปเรียนต่างประเทศจบปริญญาโทรปริญญาเอกก็กลับมาฟังธรรมะเรื่องสายบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่รู้สึกดีใจไหมมันรู้สึกสูญเสียอย่างยิ่งนะเราสมมติใจเราเป็นพ่อแม่แทนพ่อแม่คนนั้น เราก็เห็นใจเข้าใจมาเป็นความสูญเสียยังไม่รู้จะพูดว่ายังไงถูกถึงไม่แปลกเราที่ในสมัยวุฒิเจ้านหรือบางทีต้องไปต่อว่าละห า, าไปหลอกลูกเข้าที่คนอย่างนี้ให้ไปบวชแล้วบวชแล้ ว, ว, ลวพ่อแม่มองไม่เห็นบวชแล้วได้อะไรลูกได้อะไรครอบครัวได้อะไรแม่ปวดเล่ามากปวดเล่าอย่างเหลือที่จะกล่าวได้ ก็อย่าว่าแต่พ่อแม่พระราษบานะเอาเป็นว่าอย่างเราเเนี่ยเราสมมติดโดยร่างกามีลูกคนเดียวนะแล้วมีมร ด, ดกเยอะๆด้วยนะแล้วได้สร้างความหวังอะไรไว้เยอะๆด้วยแล้วเกิดลูกเขาจะไปบวชเนะี่ยโอ้โหขนาดผมจนๆเนี่ยนะพ่อแม่ผมยังบ่นแล้วบ่นอีกมาก่อนเดี๋ยนี้เลิกบ่นไปแล้วสมัยก่อนนะโหเจอหน้าก็เจอญาตเจอพี่น้องเรางพูดกังวลกลัวจะไปบวชไม่เสร็จ ผมก็เลยไม่บ่นเลยเลยเงียบไปเลยทั้งที่ไม่ได้มีมรดกอะไรผมหรอกนะถ้ามีมรดกมีอะไรอย่างรัฐบาลก็ยั ง, ยงช่วน่อยเพราะว่าเห็นผมสนใจศาสนาตั้งแต่เด็กคือไม่รังเกียจเรื่องเรื่องสนใจเพราะทุกคนก็มีศรัทธาแต่ว่ามันมีไอ เองข้อจํากัดเนี่ยว่าแค่นี้ได้แต่ถ้าถ้าบวชหนึ่งพรรษาได้ไอพรรษาเนี่บวชเมื่อตอนผมเด็กๆเดินตแต่แต่แต่แลพูดกันมาจะให้บวชเตรียมกันมาตั้งเป็นสิบปีแต่พอเห็นผมเข้ามาจริงๆจังๆในวัยอันไม่ควรเนี่ยเลยนึกเลยว่าจะกลัวจะบวชไม่สึกก็เลยกลายเป็นไม่อยากให้บวช ด, ดิพรรษาเขไม่อยากให้บวกลัวติดลง เลยเป็นอย่างนั้นไปนี่พ่อแม่เขาให้บวชได้เขาคงเห็นอา น, นิสงฆ์นะะแต่ว่าเราคิดอย่างอย่างบอย่างบางคนเนี่ยบางทีก็เฉียวใจแทนนะท้ายมีลูกอยู่คนนล้กวก็จะฝากฝีฝากกข่เสร็จแล้วก็ไปบวชแล้วก็ต้องอยู่ก็ญาติกรบพี่กระน้องกระพ่อลูกก็ไปบวชบวชแล้วก็ไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกก็เหมือนสูญเสียนะ่ะใช่ไม่ใช่เหมือนสูญเสีย ก็ตรงนี้ก็เราก็นึกแทนลูกเอแล้วถ้าเราเป็นลูกเราทําไงเราไม่ห่วงก้อนสึกพ่อแม่พี่น้องมากเลยเราจะทํำยังไงเราก็ไม่รู้ว่าพระทํานทำยังไงบางทีเราได้อ่านจดหมายแล้วน้ําตาอยากเฉยหยดแทนพระท่านก็บอกว่าโยมอย่าเสียใจเลยอาัตามาจะส่งจะแผ่เมตตานี่พูดตอนก่อนไปพ่อแม่ก็ไม่รู้ม า, าได้อะไรส่งมาแล้วจะได้อะไรจะแผ่เมตตามาให้แต่นี่เรคือวิธีที่จะให้่นะ แหม่เมตตาให้ในทางบุญเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งคุณค่าเหมือนกับเราเราได้ธรรมะเนี่ยคุณค่านั้นมันมองไม่ออกด้วยตาพลังบุญพลังอะไรที่ลูกเขาให้เนี่ยมันก็มองไม่ออกด้วยตาแล้วก็พอไปถึงวันนั้นแล้วพ่อแม่ก็จะเข้าใจได้เองโอ้โหมีคุณค่ายิ่งกว่าลูกมาเที่ยวทําอะไรต่ออะไรให้มันไม่สมกับพลังของลูกที่จะมาอยู่แค่เป็นเป็นลูกเจ่าแก่เจ้าของโรงสีเนี่ มันก็จะได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ใช่ไหมแต่สู้อย่างนี้ไม่ได้แม่ก็มาค่อยๆเห็นในสงบนั่นล่ะ <c oughs> แล้วยิ่งนึกถึงอพุทธบิดาพ่อพุทธเจ้านะท่านก็คงจะรู้สึกไกลๆอย่างนี้แต่ตอนหลังก็คงจะรู้สึกตรงกันข้ามเป็นอีกแบบหนึง่งทีนี้เมื่อท่านมาบวชแล้วเนี่ยเอ่อ ท่านรัฐบาลเนี่ยท่านรับทราบไว้อย่างว่าไม่ได้บวชแบบเอหิพิคูภาษม่าตานะทั้งที่บุญท่านเนี่ยล้นเหลือแต่ไม่ได้ปรารถนาไว้ก็ไม่ได้รับการบวชอย่างนี้เร็ะพระพุทธเจ้าเมื่อได้ มากลับมาขอให้บวชว่าต่อรองกับพ่อแม่ได้แล้วคือหลังจากวันขอหายไปหายไปเจ็ดวันไปอดข้าวอดข้าวประท้วงอดข้าวประท้วงจเจ้าอนิพานนะไม่ได้ประท้วงเอา ร, รัทธมนุษย์นนะกลับมาก็พร้อมพระกุศลเจ้าก็ทรงสั่งให้พิสูรรูปหนึ่งบวชการสั่งให้พิสูรรูปได้รูปหนึ่งบวชที่อยู่ในที่ใกล้ๆเนี่ยเ้าเรียกว่า คือบวชในอา น, นัตตพุถุจจา ก, ก็คือเหมือนกับบวชพระเจา้าแล้วมีผู้ช่วยนั่นเองทีเมื่อได้บวชแล้วก็ได้ทำวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้ไม่ไม่อยากบรรูุไปโดยง่ายๆก็เพียงแต่ว่าท่านเองถึงจะศรัทธาแต่เวลาปฏิบัตินั้นท่านไม่เสีย คือศรัทธานั้นเป็นตัวนําที่สําคัญนําให้มาบวชบอมมาปฏิบัติธรรมและศรัทธาดึงอินทร์ตัวอื่นเข้ามาทํางานสม่ำเสมอกันหมดแล้วก็เมื่อบรุเป็นพระหลานแล้วผลงานที่สําคัญก็คือท่านมาเทศปโปรดพระเจ้าโกรภยะซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นกุรุตอนนั้นนะครับเ อ, อที่มาถามท่านว่า บอกว่าธรรมดาคนมาบวชเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยมาบวชเพราะความเสื่อมคือเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ้างบวชเพราะแก่บ้างไม่มีคนเลี้ยงบวชเพราะว่าโภคเสียหายบ้างทำอาชีพประสบความล้มเหลวหรือเพราะญาติตายบ้างแต่ท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้ท่านดีทุกอย่างแล้วมาบวชเนี่ยบวชเอาอะไรท่านก็บอกว่า โลกเนี่ยอัญชลานำไปไม่ยั่งยืนไม่อาจต้านทานได้แล้วไม่มีอะไรเป็นของของตนเพราะนั้นท่านจึงบวชกดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาขั้นความคิดเป็นเหตุผลทางการบวชของท่านเป็นข้อปลารบบวชที่ถูกต้องมาตั้งแต่ตน ต่อไปท่านมาลุงกะยะท่านมาลุงกะยะนั้นเป็นองค์เดียว ก, กันกับองค์ที่เราพูดมาแล้วครับสองร้อยสิบสี่ที่ผมเล่ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะอซึ่งท่านเอามากล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอบทธรรมะที่ท่านให้ในตอนนี้พิเศษแตกต่างจากที่ให้ในตอนลำดับที่สองรอยสิบสี่ที่ผ่านมา ก็ขอผ่านท่านไปมาถึงอีกองหนึ่งชื่อว่าเสละท่านเสละนี่แหละครับเป็นองค์เดียวกับที่ในมิรินปัญหาได้เล่าว่าทูลถามพระยามิรินปนระหน้าเกษนว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงมีปกติรักษาอาจาระคือเรื่องมร ย, ยาเรื่องกิริยาต่างๆเนี่ยทรงเคร่งครัดมากรังรโดยพระองค์เองและสอน ประสงค์ให้มีอาจาระมีเสกียวัดอย่างดีแต่เหตุไฉนพระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดนิมิตเพศให้เสละพรามดูและทรงแลบลิ้นให้เสละพรามดูซึ่งเป็นการผิดอาจาระอย่างยิ่งเขาเ้าใจไหมพระนาคเสกก็ทูลถวายคำตอบว่า พระผู้มีพระภาคนั้นทรงต้องการลงคลอสัตว์คือทรงรู้ว่าสัตว์ที่จะบรรลุธรรมและเกิดนิวรตัวใดตัวหนึ่งเข้ามากีดกวางนี่ก็จะทรงเปลื้องนิวรณ์ให้ถ้านิวร น, นั้นเกิดด้วยอะไรก็จะทรงแก้ที่อารมณ์นั้นให้ทีนี้เรื่องของเสละเนี่ยถูกอาจารย์ส่งมาเป็น เป็นพรามระดับครูบาอาจารย์นะแต่ว่ายังมีอาจารย์ที่ส่งให้ไปดูที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเขาเล่าเลยว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าและให้ดูมหาโพลิสารลักษณะ32าที่สองประการเสลาพรามก็ไปก็ยังอื่นก็ดูหมดพอมาถึงตรงนี้ก็ขอโทษของอยู่ในลมพาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าถ้าถ้าตรงนี้ไม่หลุดเนี่ยธรรมะยะงักไม่เดิน พระพุทธเจ้าก็เลยทรงทำอิทธาพิสังขารให้ดูคือไม่ได้เลิกผ้าเหลืองให้ดูจริงๆเดี๋ยวจะว่าเป็นไอ้อย่างพวกกิจตามก็ทำกันหนะึ่งะไม่ใช่างี้ยทำนิมิตให้ดูแวบหนึ่งแล้วก็ศรัทธาเกิดเห็นแล้วเกิดตานธานะไม่ใช่เกิดหลกักเกิดศรัทธาว่าบุคคลคนนี้เป็นมหาบุรุษอาการทั้งสามสิบสองเนี่ยต้องลักษณะทุกประการ ก็เลยเงียโซสัตดับเลยเลยสดับธรรมธรรมะเลยเดินเลยได้บรรลุธรรมได้ได้มวดได้ในที่สุดเดียวก็เอาไปให้เรียนให้อาจารย์ทราบบรรดาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากก็พากันมาบวชเรียนบวชเป็นเป็นพระภิกษุนะแล้วก็เป็นอาลานกันไปได้หมดแล้วครับ เป็นเรือนเป็นเรือน้อยเลยดีเดียวนี่ก็เป็นประวัติของเซลาพระรามทีนี้มาพูดถึงอีกองคหนึ่งต่อไป อ, องค์นี้มีชื่อว่าพัทยะกาลิโคทาบุตร โธากาลีโคธาเนี่ยเป็นชื่อของแม่ปุตตะก็คือลูกลูกของนางกาลีโคธาตัวท่านเองชื่อว่าพัทติยะพัทธิยะเองก็ไม่ได้มีองค์เดียวท่านผู้นี้มีพุทธิกรรมพิเศษอย่างหนึ่งที่ เป็นที่รู้ก่นในหมู่สงฆ์และเคยถูกพิสูจสงฆ์ทหลายเข้าใจผิดมาก่อนคือเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมักจะอูทานว่าโอา้โหสุโ ข, ขแปล ว, ว่าสุขหนอสุขหนอเป็นคําอูทานคําเดียวที่สแสดงถึงความรู้สึกในใจของท่านพิสูจทั้หลายเคยเข้าใจท่านผิดว่าท่านปลาลบถึงราชจะสมบัติจึงอุทานถึงอารมณ์เก่าๆอย่างนี้พระเจ้า เชิญมาถามก็ได้ความว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของธรรมะคือตัวท่านเองเนี่ยเกิดในสากขสกุลองค์หนึ่งครับและได้เป็นพา ร, าานระราชาในกบิลพัฒน์นั้นด้วยอันนี้ตำแหน่งของความเป็นระราชาในรายละเอียดว่าจะเป็นในส่วนไหนอย่างไรเนี่ยคงจะมีรายละเอียดในทางเรื่อง เงื่อนงำในทางการปกครองเป็นหลายอย่างแต่ที่แน่ๆคือท่านเป็นราชาองค์หนึ่ง <c oughs> และองค์นี้แหละครับเป็นองค์เดียวกับที่ออกบวชพร้อมกับพระอนุรุตพระอานุนที่บวชที่อนุพยะอัมพวันที่เรากล่าวถึงพระองค์อื่นกับที่นี้บ่อยๆแล้วนะ่ะเมื่อได้บวชเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ได้ตามเสด็จอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ประพฤติทธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระหลานไป <c oughs>